นั่นละวิธีการปฏิบัติจเจริญสติปฏิบัติธรรมกุเบรณะมีหลายวิธีการเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าบอกว่าวิธีการติดตรงรักคือสติปัฏฐานสใช่ไหมทุกคนอ่านทุกคนเรียนทุกคนเขียนทุกคนรู้ทุกคนฟังทุกคนค้นหาอยู่แล้วสติปัฏฐานสียืนเดินนั่งนอนกายวิถีนาจิตธรรม แค่นี้กายเวทนาจิตธรรมธรรมจะไม่รู้ธรรมจะไม่เห็นเพราะมันมีอยู่แล้วมันเป็นอยู่แล้วมาเรียนรู้ตรงนี้ยืนก็รู้นั่งก็รู้นอนก็รู้เคลื่อนไหวก็รู้กับพิบตาหายใจคิดนึกธรรมจะไม่รู้มีอยู่แล้วนี่เวทนาก็รู้สึกใช่ไหมมันรู้สึกที่ไหนกันรู้สึกที่กายสินะ รู้สึกที่กายรู้สึกที่ใจรู้สึกที่ลูกที่นามที่ลูกนามขันห้าเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณถ้าเราเรียนรู้มาว่าขันห้าขันห้านะขันหกขันเจ็ดไม่มีเลยแต่ท่านย่อ ม, มาแล้วว่าขันห้าทนอะไเองอะ่ะ บางคนอาจจะไปได้หกได้เจ็ดก็ไม่รู้เลยนะมันหลายขันอย่างหลวงพ่อเทียนพูดดีนะขันมันคืออะไรขันก็ขันเงินขันทองขันโลหะขันไม้ขัน <c oughs> แก้วก็ว่าไปหลายขันล่ะเพราะฉะนั้นการปฏิบัติเจริญสตินี่เป็นทางตรงทางรัดสติปัฏฐานสี่นี่รว่าอาตาปีสัมปชาโนสติมาเวนยะโลเกะพิจาโทมนัสสัง อาตาปีนี่มีความเพียรมีสติมีสัมปชัญญะสามตัวนี้แหละที่เป็นพลังไปสู่จุดมุ่งหมายปลายทางมีสามตัวนี้ถ้ามีความเพียรไม่มีสติมันก็ไปไม่ได้มันกระดไม่มีล้อแล้วไปไม่ได้ที่เีคนขับไปไม่ได้ มีความเพียรมีสติมีสัมปชัญญะมีพลังเพราะฉะนั้นที่เรามาที่นี่ก็ดีที่ไหนก็ดีก็ทาไปนั่งสตินั่งทำสติจเจริญสติบางแห่งก็เน้นสมาธิใช่ไหมแต่ที่นี้เราเน้นสติก่อนเพราะสติเป็นจุดเริ่มคนมีสติแล้วสามารถที่จะทำอะไรก็ก็ดี ฝึกสติตัวนี้ก่อนแล้วสมาธิคืออะไรหลายคนก็สมาธิไปนั่งหลับตาตัวแข็งทื่ออยู่นั่นแหละนั่งช้านนั่งสมาบัตรไปนู่นอ่ะอันนั้นก็ดีแต่ตัวนี้มันเป็นสติที่เราไม่ต้องเกี่ยวกับการนั่งสมาธิเลยเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวการรู้สติสติแปลว่าเราระลึกรู้เรารู้สึกหลวงพ่อเทียนเน้นมากเลย ความรู้สึกความรู้สึกตัวมีทั้งสติมีทั้งสมาธิเหมือนกันรับทานอาหารเข้าไปในกระเพาะเราแล้วก็พลังงานมีมีพลังมีโปรตีนไขมันมีทุกอย่างเพราะอาหารนั่นมันแปลสภาพเป็นได้ทุกอย่างที่เรากินเข้าไปใช่ไหย <c oughs> เพราะฉะนั้นเราจเจริญสติจะเนี่ย มีสมาธิมีปัญญามีความรู้เห็นเป็นมีมีมกักมีผลอยู่ในตัวมันเสร็จเลยสมาธิคือความตั้งใจจะมากน้อยไม่รู้ล่ะตั้งใจท่านนันเองสมาธิคือความตั้งใจหลายคนพอกตั้งกายเป็นเน้นที่กายสมาธิเอาไว้ที่กายสมาธิพิเรื่องของจิตของใจ เ่อใจเป็นสมาธิฉันว่าอย่างงั้นกายมันก็เป็นตามเรื่องของมันว่าคนนั่งกายตรงถ้าหลังงอมหลังค่อมก็ไม่ได้ปอนไม่ตรงสมาธิใช่ไหมได้เป็นอย่างนั้นไปตั้งใจเนี่ยตั้งที่ใจใจมันตั้งใจตั้งมั่นเป็นสมาธิ ย่อมารู้เห็นตามเป็นจริงตรงนั้นนะ่ะอา น, นิสงส์มันอยู่นู้นนะรู้เห็นตามเป็นจริงรู้ความไหลเรื่อยแล้วก็เปลี่ยนแปลงไหลเรื่อยเปลี่ยนแปลงแล้วหายไปเหมือนก้อนเมฆนะผลองฟ้าปรากฏตัวฝนจะตกฟ้าจะลงสโนวจะมาแล้วเนี่ยจำลองนะั้น่ะในที่สุดมก็สลายตัว ปรากฏการเกิดขึ้นเพราะว่าตั้งอยู่ใช่ไหมเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปหมุนเวียนอยู่แค่นั้นที่เรามานั่งอยู่ที่นี่ก็เหมือนกันแต่ว่าเกิดปรากฏขึ้นแล้วก็ตั้งอยู่ไม่นานแล้วจะสลายตัวกันกยากย้ายกันไปใช่ไหมร่างกายของเราก็เหมือนกันมันเกิดขึ้นมันตั้งอยู่ ที่เกยงมันได้ตั้งอยู่แต่มันไหลตลอดเลยใช่ไหมหลายหลายคนก็เรียนรู้ว่าวิทยาศาสตร์โลกเนี่ยมันหมุนอยู่มันไม่จะนิ่งใช่ไหมเราก็บอกมันนิ่งอยู่เ่ยมันไม่ไหลเลยตาเราเห็นอย่างนั้นจริงๆแล้วทุกคนกำหนดไว้มันเป็นอย่างนั้นจริงๆโลกนี้มันแบนไม่ใช่มันกลมแต่เราเห็นมันแบนใช่ไหม แบนแตะอะไรถ้ามันกรมน้ําจะอยู่ได้ยังไงคิดไปอย่างนั้นมันต่างกันเลยพรเจ้บอกโลกนี่มันหยุดมันหยุดเราหยุดแล้วเนี่ยพงคโคลิมานไล่ตามพระพุทธเจ้าเจ้านี้มือพวกพุทธเจ้าเลยล่ะจะเอาชีวิตเลยล่ะหยุดก่อนสมณะหยุดก่อนนี่ยนะพระพุจะบอกเราหยุดแล้วหยุดยังไงวิ่งอยู่ น, นั่นน่ะนะโออกหกเราสมณะ มุสาแล้วเราหยุดจริงๆเราหยุดจากความชั่วหยุดจากความไม่ดีเราหยุดหมดแล้วเธอสังหารที่มือเปื้อนเลือดอยู่นั่นแน่ยังฆ่ามนุษย์กันอยู่นั่นนะเธอไม่หยุดน่ะคําว่าหยุดของพระพุทธเจ้าไปแล้วไม่หมุนแล้ววัตถุสงสารมันจบคำว่างั้นนะมันก็พอเห็นว่าโลกนี้มันหมนนุนนะพอเห็นว่ามันหยุดนิ่ง ตรงข้าวกับความจริงใช่ไหมเพราะฉะนั้นการปฏิบัติทำหาคำตอบพิสูจน์ตัวเองว่ามีบ้างไหมล้วมาหยุดมันหยุดยังไงไม่ทุกคำว่าหยุดไม่ทุกมันสงบคือมันนิ่งไม่ไปไม่มาแล้วที่พูาว่าไม่พักไม่เพียรหมดแล้วไม่ต้องเพียรไม่พักแล้วไม่พักไม่เพียรไม่ไปไม่มาแล้วไม่ขึ้นไม่ลงแล้ว ไม่สุขไม่ทุกข์กแล้วเหนือกันไปแล้วเป็นอากาศเป็นช่องว่างเป็นอะไรมันหมดอ่ะหมดน้ำหนักเบามันว่างสิ่งสำคัญนะงั้นสติปัฏฐานสี่นี่แหละเอาเยืนหยัดแล้วก็เยินยันจุดนี้เป็นจุดเริ่มและจุดสุดท้ายของมันอยู่นี่กายเวทนาจิต ทำศึกษาเรื่องนี้ยสี่เรื่องอยู่ในคนนี่แหละอยู่นในเรานี่แหละท่าหวังนั้นนะ่ะแต่เราไปนั่งหาคนหาในป่าในธรรมในเขาในที่นั่นที่นี่มันก็ไม่เห็นแล้วหลวงพ่อเทียนพูดดีว่าหาความหาของมันมีอยู่เนี่ยถ้าหาถูกที่มันต้องเห็นมันต้องเจอสักวันหนึ่งหาไม่ถูกที่มันก็ไม่เห็นนะหาของมีอยู่แต่หาไม่ถูกที่ ตรงกันข้ามเลยหาของที่ไม่มีอยู่มันไม่เห็นหากี่ปีกี่เดือนก็ไม่เห็นเพราะมันไม่มอีอย่างนี้เพราะฉะนั้นพวกเราหาของมีอยู่มันต้องเจอต้องเห็นแน่นอนนันก็พวกเขาไปหาเจาะแแล่เจาะบาดาลเจาะหาน้ำมุกน้ำมันที่เมืองไทยที่ทางเอเชียเราเจาะหาหาสิ่งมันมีอยู่นะั่น บาที่ก็เจอบางก็ไม่เจอเพราะมันหาไม่ถูกที่อยหาน้ำมันอย่างเนี้ยอย่าหาแร่หาทองคอํางเนี้ยอยไม่ถูกที่ก็ไม่ต้องเจอแล้วไม่ต้องมีแล้วเราหาความจริงก็เหมือนกันนะหาความจริงหลายคนบอกปฏิบัติธรรมมันต้องเริ่มที่ศีลก่อนนะศีล ส, สมาธิปัญญานไไปเจาะที่นั้นเจาะหาศีล บางคนไม่เห็นเลยแมวแล้วศีลนี่ยากจริงสิบแปดศีลสิบไปหาตรงนั้นน่ะสิบแปดศิลสิบศีลสองรอยิบเจ็ดศีลสามร้อยก็ว่ากันไปศิลพุทธสุนีหากันไปหากันมาหลวงพ่อเทียนว่าศิลสมมุติก็มีศิลจริงก็มีทำรองนั้นแ่ะศิลสมมุติีคนจะรักษามันแต่ศิลปรมัตาศิลจริงนี่ ศีลจะรักษาคนศีลรักษาคนศีลสมมติแล้วรักษาหลายหลายคนก็รักษาอยู่ที่วัดจากนั้นกลับบ้านหลายคนหวกลาศีลด้วย <c oughs> ลาศีลด้วยอามาพวกเรากลับบ้านมาลาศีนทิ้งศีลไว้ที่วัดแล้วกลับไปบ้านวันท้าใหม่ก็มาอีก ่าทำไมอ่ะมาขอศีนก็ฝากไว้กับหลวงปู่หลวงพ่อในวัดเราเนี่ยมาขอใหม่จะรักษาศีนก็เริ่มต้นกันอยู่แค่นั้นนะแล้วก็ศีนสมมุติศีนบัญญตัติจะไปเป็นไม่ใช่ศีนรักษาคนศีนตนั้นจะเป็นศีนสังคมศีนรักษาความเรียบร้อยแตน่นเองจะตัดจิเลสไม่ได้ จะรักษาคนไม่อยู่แล้วศีลเท่า น, นั้นนะแต่ศีลปฏิบัตินี่มันมันเกิดปัญญารู้เห็นตามเป็นจริงศีลตัวเนจะต้องรักษตัดกิเลสตัดความชั่วความทุกข์ออกบางคนเคยสูบบุหรี่มาอย่างเนี้ยแต่วาเ่งเคยสูบตั้งแต่เด็กๆเลยล่ะอายุยี่สิบห้าปีมาเจอหลวงพ่อเทียนมาเจอความจริงแล้วโ อ, โอ้ไม่จําเป็นจริงด้วยหลวงพ่อเทียนบอกกินแต่ข้าวกับน้ําก็อยู่ได้แล้วพนะั ยาไม่สูบแล้วบุหรี่ไม่เอาแล้วเพราะจริงๆด้วยเอาแล้วเลิกได้ก็เฮ้จริงๆด้วยเลิกได้ก็ไม่ต้องสูบบุหรี่ไม่ต้องทําอย่างนั้นแล้วมันก็เลยสบายกว่าแล้วก็ความสะอาดก็ปรากฏขึ้นละเรียบร้อยศีลด้วนศีลตัดนะมันตัดออกไปมันรักษาเราด้วยศีลดันรักษาเรา รักษาก็ไม่ต้องไปซื้อมันล้บุหรี่ใช่ไหยล่ะย่าสูบไม่ต้องไปวิ่งหามันแล้ ว, ลวเอามาให้มันเหนม็นมันยุ่งแล้วมันเลยดีตัว น, นี้รักษาเราจริงจริงปอดก็เป็นทางดําแล้วมันหมดแล้วเราไปไข้เจ็บก็ไม่ต้องมาจากมันอนะ่ะมันก็เลยถูกตัดถูกล้างถูกกําจัดใช่ไหมศีลเป็นแรกรักษาคนศีนปรามาศีนจริงศีลขจัดออกไป หมดทุกจริงๆเรื่องไม่มีทุกข์ก็มาแล้วเห็นไหมเรื่องเดียวแค่นี้ก็ยังเยอะเลยอันนี้สงมันแล้วเรื่องอื่นล่ะลึก เ, เข้าไปอีกอะความโกรธความโลภความหลงมันจะถูกแช่ไว้นะะไม่จําเป็นเนี่ยนันก็ไม่จําเป็นนะันก็ไม่จําเป็นนะเออไม่ต้องโกรธกันก็ได้ดีหนาก็นั่งอยู่แค่นี้ยเออก็ดีนะแต่ก่อนนไม่ได้ มันขัดโ อ, อกขัดใจมันเขาตสุขเถียงกันส้องรันกันดิยอมไัมมีด <c oughs> กับปืนแล้ว้ยไปแล้ว <c oughs> มันจะฆ่าจะแกงกันจริงจริงทำนองนั้นะ่ะกิเลสเนี่ยเราไปชี้หน้าคนอื่นนะมึงผิดกูไม่ผิดนะ่ะทำนองนั้นในที่สุดที่ได้ผิดนะทั้งสองคนหลวงว่ <c> ่ <oughs> เ, เทียนพูดนะะทำบุญภาผากอะไรผ้าปากระินก้าวกองอะ่ะ ถวายที่นั่นที่นี่ยรักษาศีลแปดนาเป็นนักบุญแต่ว่าความขุ่นข้องมองใจอยู่ข้างในไม่ได้ออกไม่เอาเข้าอ่ะมันเอาเข้ามันเกิดทิฏฐิว่าฉันเนี่เป็นนักบุญนาเป็นรักษาศีลแปดคุณรักษาศีลห้านาอ่ะมันก็เลยชีย้ไปที่คนอื่นแล้วก็อีโก้มันก็เลยเด่นขึ้นเด่นขึ้นใช่ไหมแค่มาแตะไม่ได้นาะ เกออ็ เ, เลยเกิดความไม่ไม่ไม่ไม่หลุดนะมันยังแน่นติดอยู่จนกระทั่งมาทาอันนี้แหละหลวงพ่อเทียนก็ยืนยันมาตลอดว่าการทำอันเนี้ยการทำสติสมาธิแบบเคลื่อนไหวเนี่ยก็เลยเห็นความจริงก็เลยหลุดก็เลยพ้นก็เลยบอกพี่บอกน้องบอกความจริงกับคนอื่นรู้เห็นตามเป็นจริง หลายคนบอกว่าหลวงพ่อเทียนคนหาเองเหรอหลวงพ่อเทียนเขายืนยันคนหาความจริงรู้ตามพระพุทธเจ้าเห็นอย่างนั้นแหละพระพุทธเจ้าเห็นอย่างไรก็จะเห็นอย่างนั้นแหละถ่าว่าอย่างนั้นท่านเองหลายคนบอกโอ้เทียบเท่าพระพุทธเจ้าเลยเหรอไม่ได้เทียบเท่ามาถึงความจริงเป็นอย่างนั้น พ, พ, au, พ ah ast, ระพุทธเจ้าอุตตสลุ่ยริยาศาสตร์อริยศาสตร์ก็ ah ความจริงอะ <c ười> ใครเห็นก็เห็นความจริงอ่ะจะเป็นอะไรล่ะ เหมือนนักวิทยาศาสตร์ก็ค้นพบความจริงแล้วเนี่ยก็มาเรียนรู้กันนะบุงีก็พัฒนาอยู่นะก็แค่นั้นเองรู้ตามเห็นตามพระสงฆ์เนี่ยนะตัดสัรู้ตามพระพุทธเจ้ามีศีลและทิฏฐิเสมอกั น, น่ยคาว่าเสมอกันหมายถึงว่าเห็นความจริงอย่างเห็นอริยาศาสตรเนี่ยเห็นเสมอกันคือเห็นทุกเห็นเหตุ ข, ของทุก เหตุทางให้พ้นทุกข์แล้วออกจากทุกข์เลยจริงๆก็แค่เนี้มันไม่ผิดกันมันก็พวกเขาขับรถไปตามทางเนี่ยพวกนักขับเครื่องบินบนท้องฟ้าน่ะก็ไปเท่ากันไปํากดตามเกมของมันตามเกมของเขาใช่ไหมละ่ะมันก็ไปเรื่อยๆของมันน่ะขับรถก็ไปตามาถนนทุกทางอ่ะไม่อุบัติเหตุเพลิดเพลิไปขึ้นเกียรหมายของมั น, น่ะตามรองนั้นน่ะเออ แต่พระพุทธเจ้าบอกว่าทางเอกทางเอกทางรอดหรือทางด่วนทางวันเวภาษาปัจจุบันนะนะทางฟรีเว์เลยซูเปอร์ไฮเว่เลยไปเลยโอ้สติปฐานสี่นี่นะไปสู่ที่เดียวเป้าหมายคือมรรคคือผลคือนิพพานที่เดียวไม่มีเอ็กซิทออกแล้วถ้าเข้าแล้วนะจะถอยหลังก็ไม่ได้ไปแล้วเข้าโทเว์เขาห้ามถอยด้วยตายแล้ว ถูกดันไปข้างหน้าลูกเดียวนะจ่ายเงินจ่ายตังเอาบาททัตรเอาที่เกีตไปเลยเดี๋ยวเด้๋ยฉันไม่ไหวแล้วต้องถอยแล้วไม่ไปทางเนี้ยไม่ได้คุณถอยไม่ได้แล้วไม่มีทางถอยถอยไม่ได้ผู้ได้ต้นทางผู้ได้เส้นทางผู้เข้าสู่เป้าหมายแล้วเดินหน้าลูเรียวขอถอยหลังไม่ได้แล้วอย่างนั้นก็จอดีอยว่ข้างทางก็ได้ก็ <c ười> ไมไปนะเป็นเงี้ยเจ๊ง เพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันมีอานิสงส์มากสมัยพุทธเจ้าจึงมีคนพวกกรรษัตริย์พวกพรามณ์พวกคนหนุม่มคนเศรษฐีโอเบิดเยอะเพราเขาเห็นอานิสงส์เห็นการเห็นประโยชน์มากกว่าการเป็นพระราชามหาศาสตรย์การเป็นมหาเศรษฐีการเป็นจอนจกักรพรรดิไม่มีความหมายเลยสําหรับผู้หาความจริงผู้เห็นความจริงรู้ความจริง บางคนเนี่ยได้ข่าวพระพุทธเจ้าเสด็จมาเนี่ยนะการเป็นพระราชาเขาไม่ห่วงเลยนั้นจะไปหาพระพุทธเจ้าแล้วขนาดนั้นเลยนะแค่ได้ข่าวนะจะไปหาพระพุทธเจ้าไม่เอาลากักษณะเนี่ยทิ้งละโอ้ขนาดนั้นเฉยเลยในความจริงของเขาที่เขารู้ความจริงนะ่ะเป็นอย่างนั้นจริงๆนั่นการที่พวกเรามาที่นี่ก็ดีที่ไหนก็ดี อยู่ที่ไหนก็ดีถ้าศึกษาเรียนรู้ความจริงมันต้องเจอแหะหาความจริงให้ถูกที่มันเราพอเทียนยืนยันคนจริงต้องรู้ของจริงความจริงหนีคนจริงไปไม่รอดเราตามล่าหาความจริงใช่ไหม <c oughs> อมาจารย์ก็ตามมาหลายปีเหมือนกันนะสนใจเคยบวชเป็นเนนอยู่ห้าปีแต่ไม่สนใจเรื่องมรรคผลที่ผ่าน คนจะจะเรื่องสวดเลี้ยงชันตามพระภิกนี้บทเป็นจัวแล้วสามเณรั้งอุปถากุวาจานตั้งท่องบนสาธยายรักษาศีลการเรียนรู้อื่นไม่มีจิตจำนานสิบสองทำนานเอกประเทศฉบับหลวงก็สวดไปใช่ไหมละ่ะเลี้ยง น, นักทำทีตัวเอกไม่รู้เรื่องเลยไม่ได้ยินไม่สนไม่มี หลวงพี่หลวงพ่อในวัดก็ตามประเพณีสุบุรีเคี้ยวหมากันไปตามเรื่องของพอ่อหลวงตาใช่ไหมละ่ะลองพี่สมามเณรเมื่อมาบทเป็นหลวงพี่เนี่แหละบทเป็นหลวงพี่ก็อายุยี่สิบปีใช่ไหมตรงเนี้ยสนใจเรื่องความจริ ง, เ ร, งเรื่องหลายหเรื่องจึเงเลยสแสวงหาความจริง ได้ข่าวว่าหลวงพ่อเทียนสอนกรรมฐานอยุทธิขอนแก่นท่าน น, นี่แนะต่ ม, มาก็มุ่งมั่นปั้นใจอย่างเอาเป็นเอาตายเลยนะชาติที่ทั้งชาติอธิษฐานใจนะจะตามหาหลวงพ่อเทียนให้พบแต่พบแล้วทําไงขอปฏิบัติถ้าเห็นรูปน้ำแล้วก็จะขอเป็นลูกศิษย์ตลอดไปตั้งใจเลยถ้าตายแล้วเกิดใหม่จําได้ก็จะตามหาอีกตั้งใจไว้เผื่อไว้ <c oughs> ดับโบเวยแล้วทำไมเจอชาตินี้ชาติหน้าก็จะตามานะพะอีกนะหลวงพ่ออาหลวงพ่อเทียนก็อเขเข้าไปคอนแก่นไม่มีหลวงว่าเทียนไม่มีเขาเป็น ไ, ไรวันนี้ไม่เจอวันหน้าไม่เจอก็ไปที่อื่นก่อนคิดอย่างนะั้นจะไปอุบอลอาหลวงพอ่ออดทนเดี๋ยวยังไม่ไปวันนี้ก็ยังนอนอยู่วัดโมคอนแก่นก็ยังมีหลวงพอ่อหลวงตาเข้ามาวัดหลวงพ่อเทียนหลวงพ่อเที่ยง พูดเรื่องประวัติส่วนตัวนิดหนึ่งไอ้งโง่ไอ้เงาไอ้งโง่ไปเจอหลวงพ่อเทียนอย่วัดโมกแต่ไม่รู้หลวงพ่อเทียนท่านวางนั่นนะจิตโง่ไปเจออาจารย์ฉละแต่ไม่รู้เพราะเราโง่เอาไม่เข้าใจเราไม่เคยเห็นหน้าด้วย <c oughs> ก็แปลกดีเรื่องจริงแปลกแต่จริงหาของจริงเมื่อไม่มีคนอื่นบอก เราก็ไม่รู้ว่าใครเป็นใครใช่ไหมล่ะไม่มีคนอื่นบอกโอคนนี้คือคนนี้คนนี้อแล้วก็รู้จักว่าลึกเข้าไปเขามีคุณธรรมอะไรเป็นคนจนหรือคนรวยเศรษฐีหรือล็อกเตอร์เป็นใครชาวไร่ชาวสวนชาวนาไหมเนี่ยจะเพื่อกรมรมกรแวะถามมันก็จะรู้เข้าไปอีกมันจะลึกเข้าไป มันเกิดอะไรเนี่ย ท, ที่เจอพระเจ้าครั้งแรกใช่ไหมแกไปเจอท่านเป็นใครหน้าตาหน้าเรื่อมใสจังเป็นคนเหรอเป็นผีเหรอไม่เทวดาเลยเป็นพระเจ้าแล้ว<ม>เป็นใครอ่ะเราเป็นพระพุทธเจ้าตัดสิรูเองไม่มีครูอาจารย์ทุยไม่เช่เหรอกคนไม่มีครูอาจารย์ <laughs> <laughs> เออเรนไหม ไปเลยเดินหนีเลยใช่ไหมเพราะแกไม่มีความจริงอย่างพระพุทธเจ้ามีบอกว่าเราเป็นสยามภูรู้เองเห็นเองแต่สรู้เองไม่มีครูอาจารย์เลยทำ ค, คนแล้วก็เดินหนีเลยใช่ไหมคุยกันแล้วไม่นานก็ไปละจากไปแล้วสมควรนะ่ยเนาะพูดปากคำมากความก็ยืนยันว่าปฏิบัติเจริญสติแบบนี้แหละสติปัฏฐานสี่นั่นนะยืนยันทุกคนเรามุ่งมาที่นี่ สติประฐานสี่เนี่ยดูกายดูเวทนาแล้วก็เห็นจิตเห็นใจไปเองอะ่ะพราะกายมันอยู่กับใจใจอยู่กับกายแล้วเนี่ยถาหาที่อื่นไม่เจอแล้วนั่งสมาธิหลับตาหาบางทีมันหายไปเลยมันรู้อยู่ที่ไหนเว้ยหลุดหลอดอยากจักรวาล น, นี่เลยไปอยู่มิติอื่นเลยไปตามในมิตแสงสีไปตาม อะไรไม่รู้ละคนหลังนะล้นนะก็ขอสรุปความโดอยอดย่อก็รวมรัดตัดตอ น, อนทอนเงินเอาไว้เอาไว้ที่หลังแล้ว <c oughs> ตอนดียวันนี้ก่อนเนาะหรือ <c oughs> จะให้เล่าต่อ <c oughs> เอาเล่าต่อล่ะ <c oughs> โอ้เรื่อง หลวงพ่อเทียนว่าคนโง่เนี่ยทำเรื่องง่ายให้ยากคนฉลาดทำเรื่องยากๆหนักๆให้ง่ายแต่ ท, ทำ่าเป็นคนโงน่เล่าย่อๆไม่ได้เลยมันจะไปเรื่อยมันไปเรื่อยเรียนประวัติตัวเองให้หลวงพ่อเทียนตรวจหกครั้งไม่ผ่านเลยสอบไม่ผ่านสอบตกทุกทีกหลวงพอ่อ หนในลองเล่าเรื่องของผมให้ผมฟังหน่อยเชิญหลวงพ่อแค่การเล่าจริงๆนะ่ะโอ้ดีจริงหลวงพ่อเดี๋ยวเดี๋ยวเทมาดูดิเรื่องของตนเองแค่ๆไปหลวงพ่อเล่าให้ฟังคือมาหาหลวงพ่อเทียนนี่ด้วยด้วยเมื่อก่อนจะมานั่งพุทโธพุทโธนี่ชอบมากเลยบวชมาสามสี่ปีแล้วการนั่งพุทโธทำว่าสวดมนต์เสร็จก็หันหน้าเข้าอาปลา บมีป้าอยู่สิบกว่าลูกแม่ชีอยู่สิบกว่าคนมีแม่ชีคนหนึ่งอายุยี่สิบแล้วละ่ะแต่เขาเรียกแม่ชีน้อยเพราะมันน้อยกว่าเพื่อนดังนั้นมันอายุมากกว่าใช่ไหมคนสุดท้ายแหละแม่ชีน้อยแม่ชีน้อยเลยเรานั่งแล้วมาที่หันหน้าเขาทั้ลูกแต่ก็นั่งอยู่ข้างหลังภ้าทํามือสามเณรมงคลแกไปห้องน้ํามาก็เห็นแม่ชียกมือ พวกนั้นเขานั่งสมาธิพูดโรหมดเลยไม่ชีคนหนึ่งนั่งทำมืออยู่คนเดียวเนนมงคลเขาเลยแปลกใจหลังทำวัดสวดมนต์เสร็จมาหลวงพี่หลวงพี่ไม่ชีน้อยไม่รู้ทำอะไรหลวงพี่ยกมื อ, อ, อแล้ว ไ, ไปถามทอนบายวันนี้่ะไรไปถามก็ <c oughs> <c oughs> บ้านไม่ชีอยู่อีกต่างหากใช่ไหมละ่ะไปแล้วไปถามไม่ชีไม่ชีน้อย มงคลเนี่ยธรรมเนจรมงคลเนี่ยเขาบอกว่าไม่ชีน้อยนีย่นั่งทำมือยกมื อ, ยก ม, อยกมือเคลื่อนไหวนั่ น, นะไม่ใชี้ทำทำไมทำอะไรเขาบอกอเจริญสมาธิพอจเจริญวิปัสนาก็พูดน่ะเจริญวิปัสนา เ, านาเราก็สนใจละก็สนทนากันเรื่องวิปัสนาในที่สุดก็ก็สอบเราเต็มที่เหมือนกันนะหลวงพี่บวชมาเนี่ยรู้จักรู้ําหรือยัง เขาก็รู้สิถ้ามันจะไม่รู้หัวดีก็บเขานะ่ะถ้ามันจะไม่รู้รูปนามกันข้าพระยาเป็นสองเป็นรูปเป็นนามอ่ะในรูปนามอ่ะก็เปท น, นาสัญญาสันขันกัญญาก็เป็นนามสิแล้วรูปละ่ะก็คือร่างกายเนี่ยไว้เขาก็เลยถามปัญหาหลายเรื่องอยู่่นะแล้วก็ติดปัญหาตันเลยโอ้ต่ล้วปู่ถ้าเป็น ถ้าเป็นเป็นไปได้ว่าจะมุดดินหนีเลยละ่ะภาษาสู้น้าไม่ไหวแล้วจะดำดินหายไปเลยไม่เอาแล้วหลวงพี่ไปดีกว่าจัดปัญหาเลยเขาถามมันหนึ่งเทียตมาประทับใจมามันมีหายน้ำตั้งน้ำเกาเรียกอะไรตุ่มน้ำตั้งอยู่หน้ากุฏิของเขาไม่ชีเก้าคนเขานั่งฟังอยู่นะเราสามเณรสองเราก็เป็นหลวงพี่ก็ยืนคุยนะเขานั่งอยู่ เป็นกติสูงเกบเมตรกว่านี่นะ่ะนั่งเรียงกันเดี๋ยวเขาก็ฟังเราเราหลวงพี่สนทนากันไม่ชิน้อยเรามองหน้าใครไม่เห็นเลยตอนนั้นติดปัญหาหนักเขาบอกนี่อะไรหลวงพี่นี ie, ก่กระตุ่มน้ำสิอา้าตุ่มน้ำเยสมมุติเขาว่านะาถ้าไม่สมมุติก็ดินตั้งได้น้ำตั้งอยู่อะไรมาพูดดินตั้งนะ คือดินก็ว่าปั้นใช่ไหมเราจะดินต้นรดน้ำสักหน่อยน้ำก็ตั้งอยู่ดินตั้งอยู่น้ำตั้งอยู่ในดินในองค์เนี้ยเขาบอกไม่ใช่ไม่ถูกพอดีเครื่องบินบินวืดดื ด, ดมาทางวงบนนอะไม่ซีอะไรอะไรรูปอะไ ร, ะไรน้ำโอ้ยเป็นรูปน้ำเราไม่เห็นหรอกได้ยินแต่เสียงมันน้ำผ่านไป ก็ยอมจำนนว่าเราไม่เข้าใจละก็ต้องถอยไปไปกวดวัดตอนบายสามบ่สีกวดวัดกวดพุทวัดเออจริงจิงก็ถามแล้วล่ะว่าใครเป็นคนสอนสอนยังไงสอนอยู่ที่ไหนอย่างเงี้ยจะให้เข้าใจเรื่องรูปเรื่องนํามหลวงพ่อเทียนสอนสอนอยู่วัดโม่คอนแก่นวันหนึ่งอาจจะตังตามมาหลวงพ่อละหลวงพ่อเทียนเนี่ยก็ไปกวดวัดก็ลืมแล้วนะเฮ้อาจารย์อะไรหลวงพ่ออะไรลืมลืมจริง ไปทำไม่ชีไม่ใชีหลวงพ่อที่ว่านเชื่อเลยนะหลวงพ่อเทียนเทียนเทียนไปเลยกระท้องใช่ไหมจาเทียนขาวเทียนเหลืองเทียนแดงเทียนเลือเทียนไปเลย เ, ลยเพื่อมาให้มันหลงก็จําได้ใช้เวลาอยู่เกือบสองปีนะพไปมาหาหลวงพ่อเทียนเราไปหาหลวงพ่อเทียนวัตโม่เข้าไปนละข้ารถปัน่นรถทีบรถสามล้อเข้าไปหกกิโลนะ ตามร้ปั่นเนี่ยครับเขาเอาเราไปหกิโลนะเอ้ยโยมมันมาผิดทางแล้วนี่วัดโมงไม่ไกลขนาดนี้ลรอเขาบอกใกล้ๆพอนแก่นเองถึงหน้าเราพี่ผมรู้ั่วปั่นมาเหยียแตกยางตายออกหกกิโลปัล่นรถปี่บด <laughs> ไปถึงวัดเออใช่เลยไปก็บอกว่าวัดโมงข่ะวัดนารามน่าจะจริงของเขาจำนอนเข้าไปแล้วไม่มีไปถามนกเที่ยวหนึ่ง หลวงพี่ผมจะมาหาหลวงพ่อเทียนนะให้หลวงพ่อเทียนเป็นอาจารย์สอนกรรมฐานให้ฮนะอ้าวอาจารย์ไม่สําคัญหรอกครับวิธีการไม่สําคัญหรอกวิธีการไหนก็ได้สําคัญว่าคุณเป็นคนจริงไหมกขาพูดดีนะแต่ไม่ถูกใจแล้วนะโอ้หลวงพี่พูดไม่ดีเลยเราไม่อยากฟังแล้วไม่อยากคุยต่อแล้วเดินหนีเลยไปดูภาพเฉยเออ พอดีเขาก็ บ, บอกว่าหลวงพี่พักนี้ก่อนนะก็พักไปเจอห้องผ่าตัดะห้องผ่าตัดออเราไปใส่ห้องผ่าตัดเลยเอาขุดอื่นเถอะหลวงพี่ผมยังอยู่ที่ขุดอื่นห้องผ่าตัดผมไม่ยอมเลยเอาระผ่าตัด <c oughs> เออผ่าตัดอะไรกันนะ่ะผ่าตัดมิจฉาชิติเขาว่าอธิบายความหมายเออเอาขุดนี้ก็เอาก็าไปนอน ตอนบ่ายก็ไปอาบน้ําก็มีหลวงพ่อสองหลวงพ่อเข้ามาในวัดหลวงพี่นั้นก็ไม่บอกเราด้วยหลวงพ่อเทียนมาแล้วหลวงพี่ไม่บอกเราก็เฉยเหมือนกันมันก็เดินรอบน้บําบ่อเนนก็สองเนนก็ส่งน้ําอยู่แล้วก็ส่งอยู่ด้านหนเขาบอกเนร์มาจากไหนมาจากร้อยเอ็ดครับจะไปไหนล่ะรู้หลวงพี่จะไปมานี่แหละก็เดินรอบไปละเราก็อาบน้ําเฉย อ, ยอยู่นะ เรไม่คิดไม่นึกอะไรแล้วทำวัดสวดมนต์ทั้งกระพุ้นนิดหน่อยกับเนนสุทธัตถ์ก ส, สองห้องเนีนปุ๋ยกันยุงก็เยอะทำวัดเช้านิดหน่อยก็ไปเบญทบาทกลับมาก็ฉันฉันแล้วหลวงพ่อจะไปแก้งขอชัยภูมิบ้านอะไรบ้านถ่ามมาไฟหวานไม่ใช่บ้านอะไรเนาะจะไม่ได้แล้วเนีนก็ไปนวดแข้งนวดขาให้หลวงพ่อเทียนนะ่ะ แล้วก็ดูภาพอยู่เน้นคือเน้นก็อยากไปเดียกับหลวงพ่อไปก็ไปสิลูกพี่จะไปด้วยเวลาเน้นเราก็นั่งลงบนนมมือผมไปไหนก็ได้ครับพูดกับหลวงพ่อเทียนนะไปไหนก็ได้เอาไปเตทมของก็นั่งรถเมล์รถบัตรนาวัดแปดสิบกว่ากิโลเกือบร้อกิโลเขก็นั่งเลยพูดโทรก็หลับแล้วไปแล้วเขนึืงแขนลงจากรถถึงแล้วถึงแล้ว แ็หวงพเทียนก็ไปก็เดินไปอีกตึงเขาบอกสิบกว่ากิโลนะเดินไปก็นนะั้นนัะนเราก็ขอถือบาทหลวงพ่อเทียนแต่หลวงพ่อเที่ยงเราไม่คุยกันสักคาเลยหลวงพ่อเทียงหลวงพ่อเทียนนะ่ะมันเกิดฟ้าแฟดเลยเดินตามไปหลวงพ่อเทียนก็บสามเณรก็เดินไปก่อนเราก็ตามล้างห่างๆไปมีโยมคนหนึ่งเข้ามารับโยมศิลคุณบ้าน หลวงบัวเพวังใจยภูมิมารับเมื่อก่อนเราก็รู้จักกันเพราะแกไปสอนเราให้มาหาหลวงพ่อเทียนอีกไปเห็นก็เขาเอาป่าเดเอาของจากบ่าจะมาของพ่อเทียนโดยความจะมาด้วยไปเขาไม่คุยกันสักคาเลยนะเดินไปอีกห้าหกกิโลถึงบ้านคนก็สองร้อยกว่ามาปฏิบัติธรรมที่นั่น พอปฏิบัติธรรมเทีย น, นเขาก็ไปเจอแล้วปุ๊บเขาขอหลวงพ่อเทียนกันเดินไปเลยเดินไปดูโยมโยมคนกข้ามาสัมผัสหรือมาแสดงความดีใจเขาว่าดีใจด้วยหลวงพี่ดีใจด้วยอะไรอย่างนี้หลวงพี่ไปเจอหลวงพ่อเทียนอยู่ที่ไหนยังไม่เจอหลวงพ่อเทียนอะอะมากจอหลวงพ่อเทียนยังไม่รู้จักหลวงพ่อเทียนอยีกพรงนี้เราสะดุดใจแล้วเราเอกใจแล้วอ้าวในหลวงพ่อเทียนองค์ไหนล่ะ โอ้ตรงนู้นน่ะเดินไปนู่นน่ะโอ้ที่เราถือโกรธถือบาดเดินตามคนตามหลังมานี่เองหลวงพ่อเทียนถ้าไม่อาศัยสามเณรอยากไปด้วยเราไม่ได้ไปก็จะไปอุบอลหลวงพ่อเสีโชนนุ่นอกอกไปก้นระเริกทำไมเป็นอย่างนั้นเพราะอาจจะมาเป็นคนไม่ค่อยคิดอดีตอนาคตนั่นนะ่ะปัจจุบันมันก็เลยนิ่งอยู่มันก็เลยเงียบอยู่เนี่ยไม่ถามว่าหลวงพอ่อชื่ออะไรนั่นนะ่ะ จะไปไหนเนี่ยไม่มีความคิดไม่มีเลยทึมทึบไปเลยเนี่ยคือที่มาของของมาเจริคุณพ่อเทียน <c ười> เกือบจะโดยบังเอิญนี่แหละคนไม่พูดไม่คุยนะ่ะเป็นคนหนักพูดหนักปากปากไม่เบาปากหนัก <c ười> ไม่เจอแล้ว้อคุ้มค่าแล้ว้อนี่แต่ละภาคกับหลวงพ่อเลยผมตามหาหลวงพ่อนาะ อยาปฏิบัติเขาเป็นลูกศิษย์แล้วปฏิบัติไม่กี่วันก็รู้แล้วอะไรเป็นอะไรแล้วพ่าหาความจริงที่เราเนี่ยโอ้โรูปนามเกิดนี่เองมันนิ่งมันติงมันเคลื่อนมันไหวเนี่ยหยุดนิ่งๆเห็นแค่รูปถ้ามันเคลื่อนไหวมันรู้เป็นนามนะเนี่ยอ๋อในรูปนามเจอแล้วครับเจอแล้วหลวงพ่ออยาบอกแต่ะละภาพเลยพอเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อ กตีมานะก็รู้ความจริงก็ก็ตามไปอยากให้รู้อะไรก็บอกมาหลวงพ่อตอนจะสั่งจะเนี่ยจะนําอะไรก็ว่ามาปลุกน้ํารุยไฟก็ว่ามาเอาหมดก็เป็นการตายละตำหนงแล้วนะสมควรก็บเวลาเนะาะเราก็หาความจริงก็เพิงเจอความจริงกันแหละความจริงอยู่ที่เราไม่ใช่ความจริงอยู่ที่ท่าน พอชื่อธรรมดาเสดาอดค์พดาต่อเด็กสละอานวด า, ดาดาดามีหลายชื่อนะสมมุติชื่อแต่หลายชื่อมนุษย์ต้องเป็นอย่างนั้นมงคนไปตีว่าชื่อไม่ดีเเปลี่ยนไหมไม่เป็นมงคลเอาละโอ้เปลี่ยนแล้วเปลี่ยนอีกมงคลไม่อยู่ที่ชื่อมันอยู่ที่คนมันอยู่ที่ปฏิบัต เป็นอย่างนั้นไปใช่ไหมแต่ชื่อมันก็ดีจำง่ายพูดได้เรียกขานกันได้เท่านั้นนะเป็นพวกเดียวกันหมู่เพื่อนกันหลวงปู่เที่ยงเป็นคนทําเวียงจันเป็นคนลาวพอาองพระเทียนข้าไปเมืงลาวเลยก็เลย ไ, ได้เพื่อนกันหลวงพ่อเที่ยงตายแล้วหลวงพ่อเทียนก็ตายเหมือนกันแต่หมายถึงว่า อายุไล่เลี่ยกันห้าสิบโอ้หกเจ็ดสิบกว่าแล้วลงพ่อเที่ยงหรือประมาณจากือบขึ้นเลขแปดแล้วนะตายหลังหลวงพอเทียนชื่อเดียวกันคล้ายๆกันนะลวงพ่อเที่ยงหลวพเทียนะลักษณะก็เหมือนกันเลยเอออะไรบครับ เลียนก็รูจากกันดีหลวงพ่อเที่ย ง, งนนก็ไม่นานเท่าไหรนะ่น่ะยามาวัดธาตุโขงหาผมอยู่นะ่ะหลวงพ่อเที่ยงคือแกศึกไปแล้วแกเป็นขอโทษเป็นโรคประจำตัวจะมารักษาไม่นานก็กลับไปเมือง เ, เอาอยกแ ก, แกลูกหลานเขาให้ศึกไปก่อนไปรักษาตัวผ้าเหลืองมั น, มนจะ รักษาไม่ได้มันผู้หญิงมัดแตะไม่ได้ก็เลยหลวงพ่อตายลูกจีวรออกไปก่อนคนมาถามหลวงพ่อตายแล้วไปไหนไปสวรรค์เป็นโลกที่ไหนหลวงพ่อยังไม่ตายทีหลวงพ่อยังอยู่หลวงพตายแล้วจะมาบอกนะเราก็รับทันทีว่าผมเป็นคนแรกนะต้องมาบอกผมก่อนนะหลวงพ่อก่อจะไปบอกคนอื่นว่าตายแล้วไปไหนอยู่ที่ไหนมาบอกกันไหมไม่มาเลย ไม่ไปไม่มาแล้วมันาบอกใครเล้าทันวังนั้นนะดับไม่เหลือดับไม่เหลือเลยกลับมาไม่เชื่อเหลือกลับมาบอกกันเลยว่าหลวงพ่อมันยังไม่ตายท่านบอกแต่เราจะมาบอกนะพูดกับโยมแต่เราอยู่ข้างใกล้ๆเราก็รับทันทีรับรู้ทันทีผมคุณหนึ่งนะพรก็แปลกดีนะ ก็เหมือนกับใครครับว่ามันก๊อปปี้กันนะผมปฏิบัติธรรมอยู่วัดป่าพุทธยานอันล่าเข้าป่ามันเป็นเองนะนักเข้าป่าแล้วกัมีจิ้งกาตัวหนึ่งจิ้งกาตัวผู้มันวิ่งมาเช็ดมามันก็ดูมันก็ดูเราใช่ไหมเราไปดูมไหลอะไรของมันเราเหมือนมันมันก็มั่งเรามันดูเราอ่ะถ้ามันตายล่ะมันก็ไม่ได้รูปร่างเอะ ถ้าเราตายเขาพอๆกับมันล่ะเออจริงด้วยเนี่ยตายกับท่อนไม้ท่อนฝืนก็นเป็นแค่รูปอะ่ะไอความรู้สึกตัวเนี้ยมันติดอยู่เนี้ยมันก็เลยรู้ว่าเออมีสองอย่างดูด ก, กัรเนี่ยมีลูกกับนานติดกันอยู่นี้โอ้จริงค่ะมันมาสอดทำเราเนี่ยตอนนั้นก็นจะเข้าีใหม่พอดีแต่พอดีติใหมเ่เส้อนอยากจะกราบมันทีเดียว ถ้ามึงไม่มากูก็ไม่รู้ไม่รู้มึงมึงทำให้กูรู้กูรู้ลูกรู้น้าอ่ะจริงด้วยก็นั่นแหละจริงป่องมันรู้ทีหลังนะประวัติลงก็เทียนเน่ยมันรู้ทีหลังอนาะคือมันปากตะการน่ะอะไรก็ได้ที่มันจะํานึกขึ้นมาที่มันจะมันก็อะไรแจ็คดิวตันมันเป็นเปิ้ลหล่นใส่หัวมัน ยังรู้เหมือนน้องปเทียนเลยไหมทำไมไม่หล่นไปถึงนั้นมันหล่นมาถึงนีทําไมอ่ะป้าแหน่ป่องตกใส่ขาเราเนี่ยเกงขาสั้นใช่ไหมมีส่วงหนึ่งที่เป็นเนื้อตกปกักลงมาเนี่ยเออตอน้องนั้ น, นเกิดเอกใจขึ้นมาเกิดรู้เกิ ด, เ, กดเห็นความจริงมันก็เลยขยายไปเรื่อยเออเพราะสิ่งนี้มันเป็นปัจจัยเป็นเหตุไปเรื่อยของมันมันก็ไม่ขีดก้านเดียว เป็นไฟขึ้นมาไม้บ้านไม้เมืองไม้ป่าไม้ดกไม้อะไรแย่ๆเลยไปเข้ามาจุดเล็กๆแต่มันใหญ่ก็นมนะความรู้บางทีอาจจะไปเจออะไรก็ได้ไมไ่ตัดกิเลสโอ้ใช่ใช่ใช่สุระสล้ ว, ลวนี่แหละตัดกิเลสกิเลสตัดก็อย่างที่ว่าสุบุรีแค่นั้นอนะ่ะคือไม่สูบมันนะ่ะไม่ได้ตัดมันนะกิเลสไม่ได้ตัด แต่แตัดกรรมตอนนี้ไม่เอาเข้าปากก็้มาเอาดูมันก็จุดแล้วใช่ไหมกิเลสมันก็บางทีมันก็เพื่อนเอาสูบจังหน่อยเพื่อนในานๆเข้ามันเลยไม่เอาเลยไปไกลๆเพื่อนเลยจะมาสูบใกล้กูนาบุรีเนี่นนะไปไกลๆเป็นอย่างนั้นกิเลสไกลจากเราเราหรือไกลจากกิเลสไม่ได้ไปสูบไปเสพใช่ไหมล่ะตัดกรรมว่าตัดกรรม เอามาสูมาเสพมันก็เลยหมดอนะ่ะวิบากก็เลยหลุดไปเลยว่าตัดกรรมกิเลสมนเรี่ยงละเอียดอ่อนมากเลยเอาตัวตนม่ได้ยตัดจากทำลายมันยากถ้าตัดกรรมมันง่ายกว่าเลยกินเหล้าแล้วไม่กินเหล้ามันก็หมดอนะ่ะมันก็จืดเหล้าก็นีจากไป จบแล้วจำลองนั่นนะไกลจากกิเลสกิเลสไกลไปพอไม่เลิกจากกิเลสกิเลสเป็นกูกิเลสเป็นกูวิสีแก่ง่วงมันก็ไม่ยากนะ่ะมันง่วงมันง่วงมาจากที่นอนไม่อิ่มทั้งคืนทั้งวันแล้วยังไงจำนองนั่นนะแล้วก็เปลี่ยนนะมันง่วงยันไะ อง่วงแล้วเดี๋ยวเอาน้ำมาดื่มดิเอาห้องน้ำไปดิล้างหน้าล้างตาไปสิเยอะแยะเลยไปกวดบ้ากขวดบ้านไปสินะหะอง่วงแต่เราไม่จ้งหลับยัไม่หลับถ้ามันห่วงนะหาหมอนเลยเพก็ง่ายดีอา ห, หมอนมาวูดก็จะนอนแล้วห้วงเต็มที่ก็ต้องนอนล่ะที่สุดก็นอนแต่เราปฏิบัติเราต้องสู้กันก่อนใช่ไหมละ่ะก่อนที่จะมอบหลับาแก้วให้มันก็สู้กันก่อนจังยกสองยกกันดี รู้ไม่ไหวก็ต่งบางทีก็เอาเข้าข้างแกวตัวอ้าวเอาใจหน่อยแล้วมันก็ได้มันกันนะเ <c oughs> ดี๋ยวก็ต้องยอมกับมันลุกไปเปลี่ยนท่ายืนเดินนั่งนอนเรามีอุปกรณ์สู้สูเยอะใช่ไหมละ่ะไปคุยกับเพื่อนโอ้สูก้กันทั้งวันลืมนอนเลยบางทีเอ๊เราตัง้งใจว่าจะนอนคุยกับเพื่อน <c oughs> เพื่อนมาบ้านมาคุยกับเราเราก็เลยลืมนอนเลย หายนอนหายง่วงเลยมันเป็นเรื่องมันเรื่องหลายเรื่องนะแล้อยู่คนเดียวแล้วก็ถูบ้านมาขวดบ้า น, นเข้าห้องน้ําไปทำความสะอาดห้องท่วมบ้างมันก็เลยลืมนอนเหกือนกันนะผมนอนหายไปเลยผมขี้เกียจหายเข้าป่าไปเลยชนะเลยปัญญาดี๋ยปัญญาชนะมันเออ พอแล้วบางทีเขาขัไปเดินยังกลมแล้วว่าเนี่ยนังนัง่นเหรอได้กิการมันก็ไปละหรือบปล่มันไหวกับเรื่องหน่หวเออเียดายแล้วเขาสุกแบบมานยืนน้ำกันแล้วจังหมันก็ไปตามเรื่องแล้วก็ไปเดินยังคมมันก็เกิดความรู้ความสัมผัสเออดีใจจนกระทั่งสอนตอนเด็กว่ามีมีมีทองเท่าหนวดกุ้งนอนสะดุกจนเลือนไหวมันดีใจมากนะโอ้บอกหลวงพ่อหลวงพ่อก็ไม่อยู่ด้วย อ่ไม่เป็นไรเรารู้แล้วมันไมั น, ม, นมันหายไปได้หรอกอยู่กับเราเนี้ยแหละดีใจเกินอย่างขมตัวเบาเลยล่ะมันก็รู้เรื่องนั้นเรื่องนี้ไปเรื่อยไม่ใช่มาต่อเนื่องกันไปหมดหรอกอันนี้ก็ได้แค่นี้ก็จอดแล้วคำลองแล้วนะควาคำเนี่ยเจอแล้วเนะีรู้แล้วไม่หลงไปลืมอ่ะจบเลยเนาะ ยาวแล้วสมควรเก็บเวลาขอทุกท่านปฏิบัติกันไปนะร่าายโดยใจมันมีใครมโูกวนใครก็ดีแล้วการ ด, ดีเป็นสัพพยาดีอาหารก็ดีที่อยู่ก็ดีสิ่งเวล้อมก็ดีในวัพพะยะธรรมะสัพพยะเกิดธรรมะเกิด ค, ความจริงสมควรสธาธุมต้นะ ก็เราได้ฟังช่วงเชา้าหรือว่าได้ศึกษาจากผู้ที่อยู่กับหลวงพ่อเทียนมาตงรงปัจจุบันก็เหลือเมื่อกี่องค์นที่อยู่หลวงเ พ, พียรมาตรงหลวพอคำเขียนอาจารย์ทองหลวงพ่อสมบูรณ์อาจารยา์ดาพออยู่มาหลังอาจารย์ดาเนี่ย จะ ด, ดาวพวกหลพอเทียนพอสดเลยหนึ่งแปดเนาะผมมาเจอหลวงพอเทียนห น, มมออน 1, 9, นะึ่งเก้าก็สิบก่าปีนอกนั้นก็มีลูกศิษลูกหาหลายคนนะที่เคยอยู่นลวพอเทียนในช่วงที่เราปฏิบัติเนี่ยก็เอาเอ า, เอาเรื่องรูปนามาให้ได้ก่อนก็้กันแต่ว่าอย่าไปเอานะคือให้รู้ รู้เคลนรู้ไว้รู้ไปรู้มาใครรู้ไปเรื่อยๆแหละแต่มันจะไปป๊กตรงไหนในไปเรื่องของมันน ะ, จะอจันดาท่านทําอุทูหมาทั้งนานพนะอมาจับองนี้ไม่กี่วันก็ได้แค่ไปเห็นทิ้งกาแต่หลวงพ่อเห็นรูปนามขนาดทิ่กวาดใบไม้กวาดอนเย็นจนบ่ายนะในวัดสนาในมันหนาแรงใบไม้มันหลุดเยอะเนาะกวาด ครับอยู่ไม่กี่รูปแต่วัดทั้งวัดก็ไ ป, ไปมันก็ปวดหัวไหลเพราะก็ปวดหัวไหลปับ๊บ ม, มันมันารู้พอรู้ปับ๊บมันเกิดอะไรขึ้นมันว่าผ่ายไปเลยความรู้สึกปวดอ๋ออะไรเกิดขึ้นอ๋อก็รู้อ๋อความปวดเป็นรูปแล้วมันหายไปรูปมันก็หายไปดับไปเดี๋ยแต่ความรู้สึกตัวเฉยเฉยนะพอเป็นตนพอเป็นตน ตอนบายตอนเย็นพิอะไรพิธิมันขึ้นนะจีมันขึ้นก็นเดินไปทั่ววัดเลยตัวลอยเป็นนะมันมันมาด้วยกันพอเห็นรูปนามแล้วพิธิมันก็จะมานี่ถ้าหากว่าไม่มีใครแก่รุมให้มุทิติวิปัสสนูเลยนะเขาก็พาไปหาอาจารย์ยไปอยู่กัมมันยนต์นเขาแก้ให้ นั้น เ, เราสั่งสมตัวรู้สึกไปเรื่อยๆส่วนที่มันจะไปป๊อกตัวไหนอันนี้ก็เป็นเรื่องของมันเราไม่ต้องไปบางคนเจริญสติอยู่เวลาไปเก็บไฟเยอมมือไปจับดอกไฟดึงมาเห็นรูน้ำไม่ได้เห็นอยู่ตรงที่เราทำเราเนะมันไปเห็นที่ไหนก็ไม่รู้แล้วแต่ความพร้อมของมันบางคนกำลังให้ปนขุนเข้าหมูเนี่ยเคยรู้รูน้ำทอา น, นั้นก็มี แต่ที่เราเก็บนลิ เ, เกตไปเรื่อยๆส่วนจะไปเต็มตัวไหนเราไม่รู้พอไปเต็มปั๊บมันก็เหมือนกันเราเปิดขวดวนะป๊อกขึ้นมาลักษณะอย่างนั้นเพราะนั้นวันนี้เราก็ก็อยากจะให้ฟังช่วงเช้าๆเพราะสว่างหนะ่อยเอออกไปเดินข้างนอกจนถึงเวลาทานอาหารเพราะว่าที่นี่ความพร้อมของสปายะเนี่ยทุกอย่างเลยนะสถานที่ นั่งตรงไหนวิเศษมากแล้วอากาศก็ฝนตกมาเช้าเย็นใช่ไหมกลางวันก็ไม่ได้รบกันก็ทําให้เราปฏิบัติได้เต็มที่อาหารก็เหมือนกันแล้วก็ไม่ต้องข้นขวายมีเท่าไหร่ก็ทานเท่านั้นคุณสุดาสุชาดาอะไรก็หาอาหารมาเลี้ยงพวกเราแล้วเ ป, เป็นเจ้าของบ้านแต่คนที่นี่โชคดีงานเยอะเนอะงานฟาร์มงานอะไรฟาร์ะมเนี่ยพวกคุตั้งใจจะมากม็ไี่มา นะมีลูกศิษย์อยู่นี่คนหนึ่งคือโยมประภาพิธสมัยเขาเรียนเป็นนักศึกษาเรียนพยาบาลอยู่ศรีเลราศไปเรียนพุทธศาสนา ท, ท, ที่วัดปยุนมาเลศสอนสอนอยูพอดีตรงที่อยู่ไฮสคูลอพอเขาเรียนพยาบาลอยู่ออมาไปพบหลวงพ่อเทียนก็ดึงเข้าไปโดยขเขาก็ได้พบหลวงพ่อเทียนนั้นประภาพิธเนี่ยเดียข้ามเขาเป็นพยาบาลต่อมามาทํางานอยู่กับยูเอนเป็นหน่วยงานอยู่การแพทย ก็มาอยู่ที่นี่เขาก็ยังทําอยู่แล้วบางอคนมาเจอแกที่นี่เขาก็จะเข้าวันนี้เข้าไม่ได้ไม่รู้วันไหนไม่รู้นะนั่นก็เราทีว่าโชคดีสปายาที่นี่นะอากาศอาหารอารมณ์สถานที่อาวาัตคุบะยานครบหมดเมื่อสปายา ด, ดีขนาด น, นี้แล้วเนี่ยเรายังไม่ตั้งใจทําเนี่ยเราก็จะเสียโอกาสตั้งใจทํา คือทำไปเรื่อยๆเนี่ยเดี๋ยวมันจะไปรู้อะไรไปเรื่องของมันเราไม่ใช่เรื่องของเราแต่เรามีหน้าที่ทําให้รู้สึกตัวแต่ไม่ต้องอยากทําสบายๆทาเล่นๆไปเรื่อยๆแต่ว่าไม่หยุดนั่งท ำ, ท, ำทำมันเบื่อเดินทําเดินทํามันเบื่อก็อยืนทํายืนทํามันเบื่อก็นอนทําสลับกันไปเรื่อยๆพอได้เข้าใจแค่รูปนาวเหมือนแล้วเราก็เปิดประตูได้ละทีนี้ยเราจะไปหาสมบัติอะไรในห้องที่ไปหาเอาแล้วตอนนี้ เพราะฉะนั้นอรมณ์รุ่งนมันก็เปิดประตูเปิดประตูให้ได้ก็จะง่ายขึ้นเยอะนะจากนั้นเราจะเจอคนหาสมบัติย้อนหลังมาอดีตของเราเนี่เราเคยเกิดเป็นอะไรอะไรมามจะรู้หมดแล้วก็ไปเอาสมบัติเก่าๆของเรามาใช้เราก็จะไม่จนเลยตลอดชีวิตไม่ใช่มีเงินนะแต่มันมีสมบัติคืออริยทรัพย์อ่ะใช้ไม่หมดเงินของเราทั่วโลก อยู่ในทุกกับเป๋าทุกคนเขาเก็บไว้ให้เราเราก็มาใช้มาไหลก็ได้เราไม่ต้องเก็บเองอย่างนี้เป็นต้นสมบัติที่คนมีก็เหมือนสมบัติของเราเพราะฉะนั้นก็ต้องไม่ต้องหาสมบัติอะไรเลยก็อเอาเรื่องนี้นไปบอกคน้คนไหนรู้คนนั้นก็จะเจอกองสมบัติของตัวเองอีกเราเกิดมาไม่รู้กี่พบกี่ชาติสมบัติที่เราสั่งส่งไว้แต่ถ้าไม่เจอตัวนี้มันเรามาใช้ไม่ได้สูญหายไปเลยเมื่อนหร่เราก็จนตลอดชีวิตแต่พอมันเจอตัวนี้ครับ มันก็คุ้นไปคุ้นไปคุ้นไปแต่ละวันแต่ละคืนมีแต่วันคืนให่ความสดชื่นแจม่มใสไม่มีทุกข์อ่ะเพราฉะนั้นพวกเราทัหลายก็ทําไปเรื่อยๆทําด้วยศรัทธาที่จะทำํทำทับก็คือทําไม่ต้องว่ามันจะรู้เมื่ อ, อไหร่ไม่ต้องทํำไปเรื่อยๆพอมันถึงเวลามันรู้เองเหมือนเราทานข้าวทานไปเรื่อยๆไม่ต้องคิดว่าจะอิ่มเมื่อไหร่พอถึงเวลามันก็อิ่มเองลักษณะอย่างนั้นนะ กนนันชงเช้าได้ฟังพัดจันดาไปพบนลงพเทียนแต่่าไม่รู้จักนลวงพ่อเทียนนั้นก็ซื่อจริงๆรเ่ว่าเราไปก็ไปถามไหนอลวงพเทียนไปกล่าวหองงพิเทียนอันนี้ไม่ติดตามหลวงพ่อเทียนไปจนถึงเอาไรู้ก็มาถามมากกับใครมาหลวงพ่อเทียนยังไม่รู้จักหงพเทียนพัดจันดาท่านเป็นพอาจย์ธรรมดา